แต่สอนเพื่อความฉลาดทุกแง่ทุกมุมแห่งธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วอย่างหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นไม่เห็นท่านประกาศตัวเองว่ารู้และฉลาดในทางแหน่ใดท่านชอบบำเพ็ญตนอยู่แต่ในป่าในเขาเป็นประจำจนเป็นนิสัยเรากับท่านไม่เคยเกิดขับบ้านอยู่กับเมืองเลยแต่ครูอาจารย์ใดละ่ะจะมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งพระเนรและประชาชนคารวะมากกว่าท่านทั้งสองนี้ท่านเหล่านี้รู้ได้อย่างไรจึงพากันหลางหลายไปศึกษาอบรมกับท่านจนกระทั่งท่านละขัน ลูกศิษย์ท่านมีมากโทษ่ประเทศไทยกระทั่งประเทศลาวโน่นถ้าเหล่านั้นรู้ได้อย่างไรให้ตนไปรู้ไปเห็นเองฟังเองสังเกตเองทุกแน่ทุกมุมบรรดาอาการที่แสดงออกจากท่านนั่นแหละมันถนัดชัดเจนดีดีกว่าตื่นข่าวคนแบบรมๆแรงๆสุดท้ายก็หาตัวหาตนไม่ได้ไปไหนๆพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่นมาดังเดิมนั่นท่านเป็นธรรมไม่มีโลเขาแฝงเลย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 มรรคผลนิพพานที่ตนรู้ตนเห็นให้ใคร ๆ, ๆฟังแบบพร่ำๆนั้นอย่าฝันลมฝันแรงว่าจะได้ยินจากท่านง่ายๆก็ท่านไมพูดนี่ท่านทําตัวราวกับพระเสิร์บบาศนั่นแหลถ้ายังไม่สนิทกันสมมุติมีใครไปตีสนิทในขณะที่ไปพบเห็นท่านครั้งแรกปากบอลอวดรู้ตู้พระไตรปิฎกเต็มพุงพูดคุยอวดท่านเรื่องสมาธิสมาบัติมรรคผลนิพพานที่ประสูติประจักษ์สุตลอดอภิญญาัติฉลาดต่างๆ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 หาครูอาจารย์เพื่อเรียกมาชำระอธิกรณ์นรกสวรรค์ให้สิ้นปัจกวัตจากหมู่คณะเพราะแบบนี้มันแบบหากินไม่ใช่แบบหาอัฏาธรรมดังพ ร, พระพุทธองค์แลสาวกพาหาเข้าใจไหมอย่าว่าปู่ดุนะเราพูดตามความจริงของวงกรรมฐานสายหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นท่านถามแหมซึงมากปู่วันนี้ได้ฟังการปฏิบัติธรรมของวงพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่น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 แต่จะพูดว่าเหมือนครั้งพุทธการนั้นปู่ไม่อาจเอื้อมเพราะระหว่างพญา ร, ราชสีกับหนูนั้นผิดกันมากจึงไม่ควรนํามาเทียบกันการกราบไหว้ท่านปฏิบัติตามธรรมที่ท่านทรงเมตตาสั่งสอนนั้นเห็นว่าเป็นสามิจิกรรมเหมาะสมแล้วจึงตะเกียกตะกายปฏิบัติกันไปดังที่เห็นเห็นกันอยู่นี่แหละถามที่ปู่ว่าทําได้มาจากความอดอยากขาดแคลนและเดนตายนั้นอดอยากอย่างไรปู่ไม่มีคนใส่บาตรให้ฉันอย่างนั้นหรือ ตอบเรื่องคนสาบาทนั้นมีพระกรรมฐานไปอยู่ที่ไหนตามธรรมดาแล้วไม่อดอยากด้วยปัจจัยสี่เพราะเขาเคารบเรื่อมสายเป็นพื้นเพของใจอยู่แล้วที่ว่าอดอยากขาดแคลนนั้นเป็นเพราะท่านฝึกท่านทรมานท่านเองเพื่ออัดเพื่อทำที่ท่านมุ่งมั่นอยากรู้อยากเห็นท่านจึงฝึกทรมานด้วยการปฏิบัติโดยวิธีต่างๆเช่นเอาอาหารแต่น้อยแม่มีมากฉันไม่น้อ ย, อยแม้อาหารมีมากไม่ฉนันทั้งไม่ไปบินทบาตเป็นวันๆไปเป็นครั้งคราว เพื่อเร่งภาวนาให้หนักขึ้นถามไม่อดอาหารไม่พ่ออาหารไม่อุดอยาขาดแคลนภาวนาไม่ได้หรือปู่ตอบภาวนาได้แต่จะได้ผลเพียงไรหรือไม่นะั้นเป็นอีกกรณีหนึ่งดังชาวบ้านเขาภาวนากันเขาก็ไม่อดไม่พ่ออาหารไม่ทรมานมากเขาก็ภาวนาได้แต่ผลของเขาเป็นอย่างไรปู่ไม่ได้ถามเขาถามการฝึกทรมานด้วยวิธีต่างๆดังที่กล่าวมานั้นได้ผลอย่างไรบ้างปู่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 ถามพระธุดงค์กรรมฐานท่านชอบฝึกทรมานตนอยู่แบบอดอดหยักหยักอยาก่อยางนี้เหมือนกันหมดหรือตอบไม่หมดแต่ส่วนมากท่านมักทรมานกันด้วยความพอใจสมัครใจไม่มีใครบังคับการฝึกการทรมานดังที่กล่าวมาจิตใจสงบร่างกายเบาเบาม่งกดทวงจิตใจให้คิดฟุ้งซ่านไปในทางที่ผิดที่เป็นค่าศึกต่อธรรมเมื่อใจสงบคนเราย่อมสะดวกสบายไม่ดิ้นรน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 ถ้าเขาไม่ขอให้เกี่ยวข้องเรื่องก็มีเท่านั้นหลานสงสัยอะไรและเป็นกังวลกับใครเวลานี้ปู่พูดกับหลานปู่สอนหลานต่างหากมิได้สอนใครพอจะนำเรื่องของผู้อื่นเข้ามาเป็นกังวลใจให้ยุ่งไปเปล่าๆถามเห็นข้อสอนกันอย่างนั้นหลานสงสัยที่ไม่เข้ากันกับที่ปู่สอนอยู่เวลานี้จึงไดเรียนถามถ้าผิดกอขอประธานโทษ ด, ด้วยหลานไม่เข้าใจจริงๆในเรื่องภาวนาในปู่ถาม การทำทุกขกรริยาของพระพุทธเจ้าโดยทรงอดพระกยาหารไม่สวยสี่สิบก้าวันกับที่พระธุรงกรรมฐานท่านอดอาหารไม่ฉันเป็นวันวันและหยุดฉันเป็นพักๆไปนั้นผิดการกับที่พระองค์ทรงทรรมหรือไม่ตอบพูดการอดไม่ฉันของพระธุรงกกับของพระองค์นั้นไม่ผิดกันคือไม่ฉันเหมือนกันแต่ที่ผิดการ น, นั้นผิดตรงที่พระองค์หวังความตรัสรู้ธรรมด้วยการอดพระกยาหารอย่างเดียว ไม่มีจิตตภาวนาเข้าช่วยส่วนพระธูดง์ท่านอดเพื่อภาวนาสะดวกและหวังรู้ธรรมจากการภาวนามีได้หวังรู้ธรรมจากการอดอาหารอย่างเดียวต่างกันตรงนี้ถามเวลาอดอาหารในฉันนั้นท่านอดกี่วันปู่ท่านจึงฉันตอบเอาแน่ไม่ได้ตามแต่ละองค์ที่ท่านจะอดจะฉันเพราะเป็นอธัธยาสัยของแตนารายละลายไปแม้องค์เดียวกันนั้นอดบางครั้งก็น้อยวันเช่นสามสี่ห้าวันหรืออาทิตย์หนึ่ง บางครั้งท่านอดเป็นอาทิตย์อิตย์จึงฉันก็มีองค์อื่นๆก็เช่นกันเอาแน่ไม่ได้ตามแต่ผลแห่งการภาวนาของท่านจามำนวยถามเวลาอดอาหารเช่นนั้นหิวมากไหมปู่ตอบถ้าอยากทราบก็ลองอดดูสิจะรู้เองไม่จําต้องถามผู้อื่นแม้ถามก็ไม่เกิดประโยชน์จึงไม่ตอบถามโอ้โหน่าสงสารท่านจับใจของเคยกินไม่กินต้องเป็นทุกข์แน่ๆยิ่งอดหลายๆวันดยแล้วน่าจะสลบไปในบางครั้งนะปู่ อ, อาจเป็นไปได้ในบางรายและบางครั้งถ้าธาตุขันไม่สมบูรณ์แต่ความสนใจพระท่านไม่ได้อยู่กับความเมื่อยหิวอ่อนเพลียมากไปกว่าความมุ่งมั่นต่อการรู้ธรรมเห็นธรรมที่กำลังบําเพ็ญอยู่อย่างขมักขม้นในเวลาเช่นนั้นซึ่งเหมือนเข้าสู่สงครามระหว่างกิเลสกับธรรมภายในใจถามเวลาอดอาหารฉันอะไรแทนบ้างไหมปู่ปู่ถามฉันอะไรหลานก็ฉันน้ําอ้อยน้ำตาลฉันโกโก้กาแฟ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 มนุษย์พากันวิเศษเลิ่โลกไปนานแล้วไม่จมปลักดังที่เห็นกันอยู่นี้เลยจึงไม่ควรเพลิดเพลินไม่ควรโมเมาไม่เข้าเรื่องอยู่เปล่าๆอะไรดีมีสาระรีบสแสวงหาเวลาตายจะมีที่ยึดที่เกาะไม่เป็นไฟทั้งกองไปเสียถ่ายเดียวคนหมดที่พึ่งหมดที่อาศัยเป็นคนดีวิเศษลหรือในโลกก็เห็นเห็นกันอยู่ยังจะสงสัยอะไรอยู่อีกถ้าไม่อยากจมนะเห็นไหมปู่เวลาเผ็ดร้อนแผดเผาปูเอาจริง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 แทนที่จะทูดดวงเข้าป่าเข้าเขาอย่างเดียวดังพระทูดดงกรรมฐานท่านเที่ยวไปเอาละเหนื่อยมากเพราะเล่นเครื่องมากลืมความแก่ไปถามอัศจรรย์ทําปู่จนขนลุกปู่ไปามาจากไหนเวลาพูดเป็นน้ําไหลไฟสว่างไปทีเดียวไม่มีติดมีข้องเลยและอัศจรรย์พระทุดดงท่านที่อดทนมากผิดกับชาวบ้านราวฟ้ากับดินทีเดียวถาม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 เพราะคำว่าพรอันประเสริฐนั้นก็ได้แก่ธรรมที่โลกยอมรับนับถือและกราบไหว้บูชานีนแลปู่จะให้พรอย่างและย่อๆพอดีกับเวลาขอให้ลูกหลานรับไปปฏิบัติกันเถิดจะเกิดความสงบร่มเย็นแก่ตัวเราและครอบครวัวอย่างประจักษ์ทำย่อที่จะให้ดังนี้คือการที่เราฆ่าเขาเขาฆ่าเราและการฆ่าสัตว์ทุกชนิดที่ครองตัวอยู่ด้วยชีวิตเป็นอัปมงคลความพร้อมชมแก่ตนผู้ฆ่าและแก่เขาที่ถูกฆ่าเหล่านั้นอย่างยิ่ง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 สติปัญญาอันเป็นสมบัติมีค่าในตัวเราให้ด้อยลงและเสียไปอย่างยิ่งสุราเป็นสิ่งบันทอนและทําลายมนุษย์สมบัติของมนุษย์และการงานของมนุษย์โดย่านเดียวคือเสียทรัพย์ก่อความทะเลาะวิวาทเกิดโรคถูกตําหนีตีเตียนกิริยามารยาทเรากลหาขี้เรื้อนที่ใครๆรังเกียดไม่สมควรแก่ปกติชนหญิงชายไม่รู้จักอายหน้าหนาหน้ า, นาชาหมดอย่างอายลถคุณค่ามนุษย์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 เพราะล่ำลือมานานวันนี้สมใจปลื้มพีธีอย่างบอกไม่ถูกเลยทีเดียวละปู่ปู่ถามมาเห็นแล้วเป็นยังไงสมคําเล่าลือไม่ล่ะสมยังบอกใครไม่ได้แต่ตื่นตานหูอกเลยขนาดนี้ทั้งนี้เพราะเคยทราบแต่แต่ในตํารา ว, ว่าพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านบําเพ็ญและบรรลุมาผลนิพพานอยู่ในที่ต่างๆกันเช่นในป่าในถ้ำในเขาในคลังโน้นอ่านแล้วให้เกิดความคิดต่างๆเกี่ยวกับมาผลนิพพานในคลังโน้น และหิวกระหายอยากฟังการบําเพ็ญและการบรรลุมรรคผลิพานของพระในครั้งนี้ว่ามีท่านภูมิเพ็ญและบรรลุธรรมได้เหมือนครั้งโน้นหรือเปล่านาบุญยังพอมีก็มาได้ยินเรื่องของหลวงปู่ม่านปู่สาวและได้ยินเรื่องครูอาจารย์ทั้งหลายสายของท่านปู่สาวปู่ม่านนี้จนถึงเรื่องของหลวงปู่องค์ที่กราบเฝ้าอยู่เวลานี้ทําให้เกิดความเปลื่มปิติจนพูดไม่ออกบอกไม่ถูกมันเต็มตื้นอยู่ภายในนปู่เพียงได้โอกาสจะมาเยี่ยมหลวงปู่เท่านั้น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 ดูว่ามีกิเลสหนาบางต่างกันอยู่มากเฉพาะอย่างยิ่งผู้สนใจปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงยังรู้เห็นธรรมได้ยากกว่าครั้งพิจารณาอยู่มากต้องลำบากลำ บ, บนมากกว่าจะรู้จะเห็นธรรมดังในประวัติของหลวงปู่มั่นภูริธธธทัตเถระที่ท่านพระอาจารย์มหาโบุญญาสัมปันโนเรียบเรียงไว้กระผมได้อ่านจนจบหลายเที่ยวไม่เคยเบื่อเลยหลวงปู่มั่นท่านลำบากมากกว่าจะรู้เห็นธรรมทั้งนี้ก็กลาวเปลี่ยนตามความรู้สึกเท่านั้นส่วนความจริงจะเป็นอย่างไรนั้น ก็ขอควา ม, มเมตตาชี้แจงจากหลวงปู่ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงแข่กระผมด้วยปู่ตอบฟังคุณพูดเกี่ยวกับศาสนาธรรมที่ประทานไว้กับคนมีกิเลสหนาะบางในสมัยโน่นกับสมัยนี้ต่างการก็น่าฟังเรายังไม่ต้องพูดถึงท่านผู้สนใจปฏิบัติธรรมแต่ขอพูดเรื่องผู้ไม่สนใจสแสวงธรรมแต่สนใจสแสวงหากิเลสมากกว่าธรรมก่อนคนสมัยโน่นแม้ผู้เมก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 กรพลิปตายิ่งกว่าการเธอมองกิเลสวิ่งตามกิเลสจนตาแห้งขาปวดบวมไปเลยแล้วก็ทำตัวเป็นเครื่องมืออย่างเอกของกิเลสให้ออกทำลายธรรมได้ทำลายหัวใจประชาชนชาวพุทธโดยหารู้ตัวไม่หน้าทุเรศไม่น้อยเลยถ่าจะทุเรศนะ